มาก่อละนะมาอยู่ค้างคืนที่นี่ตอนคือมาอยู่ปฏิบัติธรรมกันนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมในแนววิธีการเนะจริญสติแบบเคลื่อนไหวก็วกเราหลายท่านก็คงรู้จักนะักบำเพ็ญเหล่าบำเีย น, เ, ยนเป็นอาจารย์ที่สอนแอะไรเป็ น, นสติแบบเคลื่อนไหแบบจริน ท่าทางการเคลื่อนไหวการยกมือก็ไม่ใช่หลวงพ่เทียนท่้นคิดเองนะมันก็มาจากคาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะไม่มีสติให้มีความรู้สึกตัวเวลาคู่แขนเข้าเหยียดแขนออก น, นะมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า น, นะทสอนไว้เป็นวิธีการหรือแวบหรือรูปแบบหนึ่งในการให้เรามีสตินะเรียกว่าเป็นอิเดียบทย่อยก็ได้ แต่การยกมือปิดสี่ท่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดเริ่มแรกนะแต่สลวงพ่อเทียนท่านเป็นคนที่เรียกว่าลดสิ่งที่ท่านว่ามันอาจเสบเกินไปนิดนึงนะก็คือว่าแต่ก่อนเคลื่อนไหไปด้วยบริกรรมไปด้วยนะแล้วแต่ภาษานะห่วงพ่อเทียนไปเรียนที่หนองคาย เขาก็พูดภาษาอิสาลีภาษาลาวกันนะ<ม>เขาก็<ม>ใช้คาว่าติงนิ่งติงก็คือเคลื่อนนิ่งรถตหยุดอเคลื่อนมือไปด้วยพูดอิตาลไปด้วยติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่งติงนิ่ ง, ง, งะเคลื่อนหยุดนะ่ะภาษาพม่าผมพูดอีกแบบหนึ่งภนะ<ม>าษาทางที่จริงวิธีนี้ก็ เห็นเพราะว่าก็เอามาจากทางพม่านะทางมหาจุฬานะที่วัดมหาธาตุก็มาเผยแค่ก่แต่ในภาคกลางก็อาจจะเไม่ค่อยได้คนอาจจะไม่ค่อยชอบรู้เปล่าไม่รู้นะถ้าทางาอาจจะดูดูแปลกสักหน่อยนะแต่ทางอีสานก็เอาไปทำกันเยอะก็เป็นบริสันตไปด้วยนะยกมือไปด้วยให้หลวงพ่อเทียนท่านว่าออื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 มีวันหนึ่งเดินจนกรบอยู่แม่งป่อะมันตกมานะมันตกมาจากต้นไม้ตกมาทั้งแม่ตกมาทั้งลูกเลยตกมาสุดตัวท่านะถ้าเป็นโกคเราปกติเป็นไแม่ป่องศพตกใจได้ไหมแม่ป่องมาตกสุตัวเราเราก็ตกใจตกใจแล้วก็มืทํางไหนนะเอามือไปปัดหรือเปล่าไปโดนแล้วต่อยก็ได้นะก็ บคนก็อาจจะตกใจคนส่วนใหญ่ก็กับนันหลวงพ่อเพียนท่านก็พอเห็นแมงป่องตกใส่ตัวนะสติตมันเกิดกรณีสถิตที่ตอแรกก็ยกมือช่างเชียงหวัดหรือเดินจมคมก็อาจจะยังไม่เข้าใจอะไรมากมายนะก็ก็ทําไปแต่พอแมงป่องมนตกมาสูกตัวมันเห็นนะแมงป่องมันก็เป็นรูปร่างกายที่ท่านกําลังเดินอยู่มันก็เป็นรูป รูปกับรูปนะมันไม่ทําร้ายกันนะอืมแต่ถ้ารูปเช่นรูปของท่านรูปรูปของคนนะมันเกิดความไม่พอใจในปองอาจจะเกิดความกลัวหรือว่าก็ไปทําร้ายในปองให้มันตายอย่างนี้ใช่ไหมรูปกับรูปมันไม่ทำอะไรกันนะมันมีเพราะว่านามนี่แหละมาสั่งให้รูปไปทำร้ายกันนะใชแม่ปองเองก็เหมือนกันนะ พอเห็นหลวงพ่อเทียนท่านเฉยเฉยท่านไม่บวช น, นะท่านก็เดินท่านก็ไม่ไปัดท่านก็เฉยก็ท่านก็รู้มันมันก็รู้ท่านเลยนะมมันไม่เห็นท่านแต่มีท่าทีทำลายท่านมันก็ไม่ต่อยอืมมันก็พาลูกหนีออกไปพาลูกหนีออกไปจากรูปนี้อาจจะหนีด้วยความกลัวหรือหนีได้ไม่ไม่อยากบรบกวนก็ได้แต่เราก็ไม่รู้นะความคิดมันป่องเป็นแบบไหนแต่ท่านเห็น เห็นเห็นตัวท่านที่กำลังเดินอยู่เห็นความรู้สึกที่มันมีต่อแมงปองมันเป็นแบบไหนถ้าเราสู้สุดเฉยเฉยท่านก็เฉยเฉยมันก็ไม่ไม่ทําร้ายกันอันนี้ยนคะือเริ่มแรกท่านแยกได้แยกรูปแยกนามได้จัดตัวกระตุ้นคือแมงปองที่ตกลงมาทาให้เห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจนี่แหละตัวสําคัญจิตใจ ถ้ามันกลัวถ้ามันไม่ชอบมันก็จะไปทําร้ายซึ่งกันและกันได้ซึ่งมันทําให้ท่านเข้าใจตัวของท่านเองว่าที่จริงจิตใจเนี่แหละมันเป็นตัวสั่งให้ลูกมันทำนั่นทํานี่นะ่ะที่จริงเราก็เคยโดนหลอกมาเยอะนะอย่างหลวงพ่อเทียนนะปก็โดนหลอกเยอะนะเดินดอกให้อสุกุรีเดินหลอกให้ กินกาแฟดนหลอกให้อ่าโกรธใช่ไหมพวกเราแต่บางทีทําบุญก็ยังโกรธได้น ะ, ะใช่ไหมทําบุญทําดีก็ยังโกรธได้น ะ, ะใช่ไหมทํางานเสียงรูอ่้ก็ยังโกรธได้น ะ, ะคือบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราทําดีมันจะทําให้เราเรามีความสุขเนาะแต่บางทีทําดีก็ทุกข์ใช่ไหมเราเคย ดีแล้วก็ทุกนะทำชั่วก็าอาจจะสนุกแต่ก็มาทุกทีหลังอีกละนะอันนี้คือชีวิตเราก็วนๆแบนบ น, น, นี้นนะไม่ว่าจะทำดีหรือทำไม่ดีนะแต่แต่ชีวิตมันก็ทุกเนาะมันก็ทุกมันก็มีความสุขอยู่บ้างเชิอประเดี๋ยวประดาวเนาะแต่แต่ความสุขที่ไม่ใช่ความสุขที่ ย, ยั่งนยะืนแต่การมาภาวนานะ การภาวนาจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนาะถ้าเป็นแนวที่ทําให้เกิดสติปัญญาเนาะมันจะทําให้เราเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อเถียมเข้าใจเรื่องการแยกรูปแยกนามได้นะภาษาบ้านๆรางเอาจะเรียกว่าแยกได้ระหว่างเรื่องกายกับเรื่องใจเนะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งมันอยู่ด้วยกันเนาะแต่บางทีมันก็ทําร้ายกันหรือ ถ, ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมานะเนี่ย กายก็จะทําร้ายใจใจก็จ ะ, จะ <c oughs> ทําร้ายกายเข้าใจไหมบางทีอยู่เฉยๆนั่งก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ทําให้ร่างกายเราก็เทีอะไม่สบายนะเพราะอะไรนอนไม่หลับอาจจะคิดมากอาจจะมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหยุ่เฉยๆนั่งก็น้ำตาซึมไปคิดเรื่องเมื่ออดีตที่คิดแล้วก็ทุกข์ใจ นี่คืออยู่เฉยๆใจก็มาทํำลายร่างกายให้ทุกข์แต่บางทีร่างกายเขาก็ทุกข์ก็พลอยให้ใจเราทุกข์ต่าไปด้วยเี่ยเช่นร่างกายไม่สบายจิตใจบางทีก็พลอยไม่สบายกันไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าเราฝึกสตินะมันจะแยกได้แล้วบ่าเรื่องของกายก็ส่วนหนึ่งเรื่องของใจก็ส่วนหนึ่งเราจะมีสติเห็นว่า แค่ความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นแค่ความทุกข์ของกายนะอย่างเช่นปวดหัวเราก็เห็นว่าให้ที่ปวดมันปวดจากหัวนะแต่ท้องขาแขนไม่ได้ปวดเลยนะอมันก็เป็นแค่ความปวดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือปวดหัวมันก็ไม่ใช่ว่าเราทุกข์นะเราปวดนะแต่ก่อนเราได้คิดว่าเราเป็นผู้ปวดเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้เมื่อย แต่ต่อไปเราจะเห็นว่าท่างกายมันปวดร่างกายมันเจ็บร่างกายมันเมื่อยอหรือต่อไปก็แยกได้เลยนะเอะมันปวดแต่หัวนะไม่ใช่ปวดทั้งตัวมันแยกไปนนะ่ะมันจะเห็นว่าอ๋อนี่จริงความคุกมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรูปนะแต่มันไม่ใช่เราจริงๆปติปัญญาที่พัฒนาเรื่อยมันจะพัฒนาไปทัง คือมันจะย่อยๆไปเลยนะระบาแยกกายแยกใ จ, กใจนะต่อไปมันก็จะเกิดเห็นว่าที่จริงความทุกข์เนี่ยทุกกายก็ส่วนหนึ่งนะทุกใจก็ส่วนหนึ่งทุกกายเนี่ยต้องต้องบำบาก ต, ต้องมันเท่าน้ะหิวก็ต้องกินนะไม่ใช่หิวภาวนาเพื่อแล้วไม่ใจกิหนะหิวก็ต้องกินเนะหนื่อยก็ต้องทักนะร้อนก็ต้องอาจจะอาบนะนะ้ำหลบเข้ามาในห้องแอ หนาก็ต้องใส่เสื้อผ้าทุกของรูปเราก็จะเรียกว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมันเทาเข้าแต่ใจไม่ต้องมีทุกข์ไปด้วยแต่ทุกข์ของใจเนี่ยมันก็มีโรคนะโรคความทุกข์ของใจเกิดจากอะไรมีโรคที่เป็นต้นเหตุของโรคมีสามอย่างนะเรียกว่ากิเลสก็ได้นะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจ เราสังเกตดูนะเวลาเราอยากได้อะไรแล้วยังไม่ได้อย่างมันทุกไหมอันนะั้คือความโลภนะเราอยากจะได้อะไรมันยังไม่ได้สิ่งนั้นเยมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนี่ว่าปัจจณาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง น, นั้นนั่นก็เป็นทุกข์หรือที่จริงเราไม่ปัจจณาจะเจอกับเรื่องนี้แต่มันมาเจอมันก็ทุกข์ใช่ไหมไม่อยากเจอคนนี้เลยนะมาเจอก็ทุกข์ใช่ไหม ไม่อยากเจอความพัดยแพ้สูญเสียเลยนะแต่พอพ่ายแพ้สูญเสียก็มามันก็ทุกข์นี่คือความความอยากนะความบางทีก็ จ, จะเกิดเข้าความโลภนะความต้องการนะที่มันเรียกว่ามันไม่ถูกต้องนะแต่บางทีมันก็เป็นความธรรมชาติที่เราอาจจะไม่อยากเป็นโลภขโมยของคนอื่นไม่ได้อยากที่จะ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 ว่าเราจะมีวิถีชีวิตแบบไหนหรือนะความทุกข์เพราะเราจะเจอสิ่งที่มันไม่ปรารถนาหรือว่าเมื่อปรารถนาแล้วก็ไม่สนใจมีเงินมากทั้งหมดก็ใช่ว่าจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่ตั้งใจใช่ไหมอมหาจจะซื้อวัตถุสิ่งของได้แต่ถามว่าซื้อซื้อใจคนได้ไหมนะซื้อซื้อความสุขจริงๆได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้อันนี้คือ เหตุที่มันเกิดความทุกข์นะก็ปัจจานาในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องหรือบางทีก็ปัจจานาในทางที่จะฝืนกฎของธรรมชาติบางทีเราก็มีความไม่พอใจนะเรียกว่าเป็นโทสนะเป็นความโกรธนะไม่อยากได้นะแต่ไม่อยากให้เขาพูดอย่างนี้แต่เขาพูดก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแต่ะดาบนี้นะนะนะหรือว่าความหลงนี่ก็เยอะมาก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 คามจริงมันเป็นแบบไหนนะร่างกายเนี่ยมันก็ประกอบด้วยเรียกว่าขันธ์ห้านะเมือนที่เราได้สวดลูกเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณมันประกอบกันนะ่ยเรียกว่าชีวิตหรือว่าเรียกว่านะที่เราสมมุติว่าเรียกว่าตัวเราแต่จริงมันเป็นการประกอบกันของห้าส่วนลูกประส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุ อีส่ตัวเนี่ยเป็นนามธรรมนะมันมาประกอบกันนะเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่จริงมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะมันเป็นการประกอบกันนะคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์จะบอกว่ารถยนต์คืออะไรลนะ้อคือรถยนต์ใช่หรือเปล่าอันั้นก็ไม่ใช่แล้วนั้นเรียกว่ารอรถนะ พวงมาลัยคือเถจีนื้ป่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือเรียกว่าพวงมาลัยเครื่องยนต์เรียกว่าตรถจีนื้ป่าก็ไม่ใช่นั่เรียกว่าออเคเรเื่องยนต์ใช่ไหมมันเป็นแค่การประกรอบมาประกรอบประกรอบกันทั้งหมดถึงเรียกว่ารถจีนื้ร่างกายของเราเองก็เหมือนกันนะนะมันมาประกรอบกันนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะมาประกรอบกันถึงเรียกว่านะถึงเรียกว่าิงา่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง แต่จริงมันไม่ใช่หอมจริงแท้นะเพราะว่าถ้าเราศึกษาไปเรื่อยลูกเนี่ยมันก็เป็นธาตุที่มาประกอบกันธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันมาประกอบกันเราเองกับคนอื่นในี่จริงต่างกันไม่มากนะมีธาตุคล้ายคล้ากันมันต่างกันไม่เยอะเราเองกับศาตร์เองก็ไม่ได้ต่างกันมากนะก็เป็นธาตุที่ประกอบกันเท่านั้น เป็นเรียก ง, ง่ายๆเหมือนปั้นดินน้ำมันก็ได้นะ <c oughs> ปั้นเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็เปลี่ยนแปนลงไปเนยังไชีวิตเราก็เหมือนกันนะท่านถ้าเราเหมือนดินน้ำมันที่โดนคนอื่นปั้นอ่ะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเนาะ <c oughs> เป็นตัดบ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้าง <c oughs> เป็นพรมบ้างเป็นยักษ์บ้าง <c oughs> ก็แล้วแต่โดนแล้วแต่อะไรที่เหมือนจะปั้นตัวที่ปั้นเลยอะไ พฤติกรรมกรรมที่เราทนะําำในภพชาตินั้นๆมันก็ส่งผลต่อไปในภพชา ต, ติต่อไปก็คือกรรมที่เราทํำนะี่มันก็ส่งผลต่อไปให้เราไปเกิดเป็นอะไรแต่เกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะนะี่มันก็ยังต้องเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร น, นี้อยู่ร่างไปแต่การมาภาวนาเนี่ย ถ้าเราเกิดปัญญาค่อยๆแยกตัวเนะี้มันจะทําให้เราเรียกว่าลดการเวียนว่ายการเกิดนะไม่ต้องนะกับมาเกิดอีกเพราะเหตุของปางเกิดก็คือความหลงเมื่อหลงมาเกิดมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์นะเราจะฝึกสติปัญญาอะไรให้รู้ทันนะรู้ทันเหตุของการเกิดเหตุการเกิดของกรรมเนะี่ยคืออะไรคีอจิตใจนะ เราจะทำทำอะไรเนะี่ยมันเกิดจากจิตก่อนลองดนะูเราจะพูดเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากจิตก่อนนะมันมีจิตมาถึงเรื่อ่างให้พูดแต่บางคนเขามักพูดว่าพูดก่อนคิดนะแต่นีจริงมันไม่ใช่นะไม่จริงอาจจะคิดนันมันเป็นตัวเรียกว่ายังคิดแต่จริงมันเกิดกระบวนการปไปในจิต เ, เกิดความรู้สึก เกิดความคิดในจิตแล้วก็พูดออกมาที่จริงทุกเหตุนเนี่ยมันเกิดจากจิตใจทั้งนั้นเลยเกิดเป็นการพูดเกิดเป็นการกระทำเราจะมาฝึกออยางไรให้เราเรียกว่าไม่ทำกรรมไม่ทำกรรมด้วยความคิดไม่ทำกรรมด้วยความพูดไม่ทำกรรมด้วยนะการกระทำกรรมในที่นี้หมายถึงว่ากรรมที่จะส่งผลให้เกิดความ ต่เป็นพบเป็นชาตินะคนะําว่าพบชาติคือการเฉลยการเป็นตัวตนนะเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาพักกี่ลางหนึ่งรู้สึกไหมอย่างเช่นเราทำงานเสร็จแนละ้วเราบางทีความรู้สึกอืมเรารู้สึกเก่งรู้สึกหรือว่าพูาง่ายอนะ่ะมโสอบได้ที่หนึ่งนะสอบได้คะแนนสูงตัวเนะี่ยตัวตวขนขึ้นมาคือ เราเก่งเราดีสมอ น, นะเป็นไหมหรือหรือบางทีเพื่นเราทําบุญเราให้เราช่วยเหลือคนอื่นนะเราก็รู้สึกว่าเราเราได้ช่วยเหลือเขาแต่บางทีเราก็อาจจะไม่เห็นชัดนะแต่สมมติว่าเราช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาไม่ขอบคุณเรายังไงความรู้สึกตัวตนมันจะเกิดขึ้นมาจะรู้สึกไม่พอใจทําไมไม่ขอบคุณทันที อันนี้คือมันชีตัวตนมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราทําแล้วเออถ้าสมมติเขาไม่ขอบคุณเขาไม่ว่าอะไรเราแต่ถ้าเราก็ยังเฉยๆได้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเราก็ทำเพื่อที่ให้มันก็จบแล้วอันนี้คือเราไม่สร้างภพสร้างชาติต่อนะไม่ต้องไปตั้งว่าเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนนั่นคนนี้เราเป็นคนที่ เพราะนั้นคันนี้ทุกอย่างถ้าเราทําแบบไม่เอาตัวตนเข้าไปทําด้วยเนี่ยนี่แหละว่าการไม่สร้างภพสร้างชาติเนาะทําเป็นเพียงแค่กิริยาิเฉยธรรมดาหรือว่าทําด้วยการละตัวตนถ้าเรามีสติเราก็จะทําแล้วก็จบทําแล้วก็จบหรือว่าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนต่อมาเราต้องดูให้ทันนะการฝึกสตินี่คือฝึกให้รู้ทัน เรียว่าโกกรครกระทําโดยเฉพาะในโลกกะระทำมีสุขมีทุกข์มีนินทามมีสันนรริษฐานะมีได้ราบเสื่อมราบมีได้ยศเสื่มสมสมอมยศนะมีอันนี้ย่งนี้คือความที่มันเป็นโลกกะระทำที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเราจะทํากรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะมีคนชมอาจจะมีคนว่าเรียกไง แต่การฝึกภาวนาจะทำให้เรารู้ทันรู้ทันจิตรู้ทันใจที่มันพอใจหรือไม่พอใจถ้าเรารู้ทันแล้วเราจะไม่ไปยึดว่าเราเป็นผู้พอใจหรือเราเป็นผู้ไม่พอใจสติจะทำให้เราไม่ยึดมันการกระทานั้นๆหรือว่ากิริยาที่เกิดการกระทบนั้นๆมันก็จะตกไปนะอันนี้คือเราฝึกแบบนี้นะ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 เห็นถูกคืออะไรเห็นถูกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงนะฮะท่องตัวเนี่ยเห็นถูกคืออะไรอีกเห็นถูกคือว่าเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเที่ยงอ่าความคิดก็ไม่ใช่ของเที่ยงความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเที่ยงร่างกายก็ไม่ใช่ของเที่ยงนะฮอารมณ์ก็ไม่ใช่ของเที่ยงประเด็นอะไรเนีะอืม เห็นว่าจริงๆทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขนะคําว่าทุกข์คือว่ามันทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้นะสังเกตไหยเช่นดีใจเนี่ยมันดีใจทั้งวันได้ไห ม, มสุขใจสุขใจทั้งวันได้ไอืมโกรธโกรธทั้งวันได้ไห ม, ม บ, าาบางทีกินข้าวบางทีก็ดื่มเบีสักพักนึงนะอาจจะโกรธหมอ่อีกแล้ว แต่มันไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนนะมันมีช่วงขณะดลับไปเนี่ยดับไปนะโกรธตลอดนานที่ดับหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะตอนนอนอ่ะ จ, จะโกรธตื่นขึ้นมาก็โกรธอีกเราเลยรู้สึกว่าเหมือนโกรธต่อเนื่องแต่จริงตอนนอนลับมันอาจจะพักไปครับคู่หนึ่งไม่มีอะไรที่มันเรียกว่ามันมันต่อเนื่องหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ มันจะบังคับให้สุขตลอดได้เนาะเรามองให้เห็นแบบน่นะนี่คือตัวปัญญาปัญญาตัวนี้เราจะเกิดได้ไงต้อเกิดจากการภาวนาเนาะฝึกฝึกเจริญสตินะแต่แนวไหนก็แลนะ้วแต่นะแต่วันนี้เราอาจจะลองมาฝึกแนวเรียว่าเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวเอาความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวเป็นตัวสร้างสติสติ ถามวาพวกเราก็มีนะที่จริงสติเราขับรถเราเดินเราพูดคุยเราไม่เสียสติต้องเข้าโรงพยาบาล่นะจิตเวชเลยนะเราเรียกว่าเรามีสติแต่นั้นเรียกว่าสติโดยภาษาโรกนะเป็นแบบหนึ่งนะสติไม่ลืมของสฏิไม่เข้าโรงพยาบาลสติที่เราอยู่กแบบับนะชุมชนปกติได้นี่เรียกสติเป็นแบบโรค แต่เราจะสุดสติเราฟร้างสติอั น, นี้มันมากกว่าสติแบบโลกโลกนะนะมันเป็นสติในทางธรรมสติในทางธรรมคืออะไรคือรู้ทันกายรู้ทันใจในปัจจุบันนะไม่ใช่ไปรู้ทันกายหรือทันใจในอดีตนะรู้ว่ากายตอนนี้กำลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งนะเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืน นะนอนก็รู้ว่านอนง่าย <c ười> กินก็รู้ว่ากินนะดื่มน้ําก็รู้ว่าดื่มน้ํามันง่ายมากนะแต่ของง่ายๆแบบนี้แหละคนที่ที่ปฏิเสธตลานมันมองข้ามมันมองข้ามทอด น, นะไปอนาคต <c ười> นะคือเราไม่รู้อยู่กับปัจจุบันนะเราเดินเนี่ยเป็นไปซื้อของใจเราไป เลือกซื้อก่อนนะจะไปซื้ออะไรใช่ไหนี่คือคนเราฉลาดเกินไปมันเลยข้ามจอดแปดเราเดินเราก็ไม่อยู่กับการเดินหรือเรากินข้าวเข้าใจไหมเสียวเวลากินไปต้องคิดไปเห็นไหมกินไปต้องคุยไปอ ม, มันจะได้เกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพแต่จริงเราลึงตัวว่าเรากำลังกินอยู่แล้วก็เลยไปอยู่กับความคิด อยู่กับอะไรการปฏริบัติธรรมแค่กลับมาใช้ชีวิตแบบธรรมดาที่สุดนะอืมเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินกินก็ให้รู้ว่ากำลังกินนะตื่นนะหายใจเข้าก็ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกแค่นี้เองนะให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะแล้ว เ, เราจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราหลงบ่อยมาก เรานั่งอยู่สักพักใจเราก็จะลอยอืเราเดินอยู่สักพักใจก็จะแวะไปคิดนะืมมันจะเห็นเลยนะเห็นแบบนี้ไม่ใช่เราติดปกตินะแต่ที่จริงไอ้ปกติที่เราหลงแบบเป็นแบบนี้นานแล้วแต่เราไม่ทันอพอเราแว บ, บไปคิดมันก็คิดจนกระทั่งจบเรื่องจบเรื่องที่หนึ่งก็ต่อไปเรื่องที่สองเรื่องที่สามมารู้ตัวอีกทีก็เหมือน บางที้็คิดจนน้ําตาไหลแล้วเนาะหรือตัวอีกทีก็น้ําตาไหลนะมีเมื่อวานคนหนึง่งนะีโยมวคนหนึง่งเป็นคนที่ศรัทธามากนะม า, าหาที่นี่นะรู้ตัวอีกทีจากชั้นสามหรือชั้นสี่ลงไปถึงชั้นหนึ่งแล้วก็ด้วยความศรัทธาด้วยความดีใจนะอืมพอเห็นนะเห็นคนที่ศรัทธามาหาเดินลงมาเลยอืมมารู้ตัวอีกทีก็ลงมาหาแล้วอันนี้ก็ มันไม่เป็นธรรมชาติหรือเราเต็มไหมบางทีก็รู้ตัวไอ้ทีตงองออกจากห้าแล้วถืออะไรเต็มมือเลยสอบมือเลยอืมันตอนที่จะจิตมันอยากจะได้ไม่ได้ทันนะตอนที่ใจมังก็ไม่รู้แต่ถามว่าดูตัวได้ถูกไหมก็ถูกนะออแต่มันไม่รู้ตัวว่าไอ้ที่เราซื้อเนี่ยมันมันไม่ได้ตั้งใจซื้อนะท่านไหนใช่ไหมอันนี้คือ ความลึงตัวของเรานป็นมีเยอะเราก็เลยมาฝึกให้รู้ทันนนอกจากรู้ทันด้านกายที่กําลังทําอะไรแล้วส่วนนึ่งจะทําให้เราทันใจะทันใจใจที่มันหยาใจที่มันโกรธหรือใจที่มันหลงเราฝึกให้มันทันตรงนี้นแหละเมื่อเราทันแล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากอะไรแต่ก่อนใจเป็นคนครอบํา ครอบนำชีวิตกิเลสกิเลสที่มีความคิดความหลงครอบนำชีวิตจิตใจของเราต่อไปสติจะเป็นเจ้านายแทนกิเลสมันคล้ายๆเปลี่ยนเปลี่ยนหัวหน้าเลยสมมุติเราเคย ม, มีไหหัวหน้าที่หัวหน้าที่แบบไม่ดีเนาะเขใช้คานั่นคำนี่เราก็มีความสุขเพื่อนร่วมงานก็มีความสุข อันนี้เราเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เป็นเจ้านายที่ดีนะมีก็เราจะใช้ชีวิตใช่วาจาของเราในทางที่ดีมันเปลี่ยนคล้ายๆเปลี่ยนวัวหน้าเปลี่ยนผู้นำนะอันนี้ผู้นำทางโลกก็เรื่องหนึ่งนะแต่นี่ผู้นำจิตใจของเรานะเราเรื่องผู้นำจิตใจของเรานะผู้นำจิตใจที่มีสติมีปัญญานะจะนำพาชีวิตออกในทางที่ดีนะมันก็จะเกิดการมีสตินะ ภาตายทําสื่งที่ดีมีสติพาวาจาพูดในทางที่ดีมีสติในการรู้จัดใช้ความคิดตอนไหนควรคิดมันก็จะใช้ความคิดตอนไหนวางความคิดมันก็จะวางได้นะปัญหาของคนส่วนก็คือเราฝึกถูกฝึกให้คิดเก่งนะหรือว่ารู้จักคิดแต่เราไม่รู้จัก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 เนะี่ยค่อยๆฝึกไปไไนะอันนี้คือสิ่งที่ที่พวกเราก็ลองเรียนรู้ดูแล้วก็วิธีฝึกตัว น, นี้ก็เอาไปใช้ได้ทุกที่นะไม่ใช่ว่าจยต้องมาฝึกแค่ตรงนี้หรือว่าต้องนงั่งทําท่ายกมือตื้นจังหวัดหรือเดินกลับไปกลับมาเพราะวิธีการที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนเนะี่ยมันเป็นวิธีที่เอาไปใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะยืนเดินนั่งนอนเน่ตีเอะนะียบทเนี่ย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 เกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันคําว่ารู้ทันนี้คือเห็นเห็นมันเป็นความคิดเห็นเป็นอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะอืมเห็นความคิดก็ส่วนหนึ่งให้ตัวรู้ก็ส่วนหนึ่งนะเห็นแบบนะี้ไปเรื่อยๆปติปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆยอนะฝึกไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็อาจจะมาเริ่มต้นฝึกนะแต่ก็ต้องคอฝึกต่อ ธรรมะมันเป็นเรื่องที่คลายเต้องมาไปทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็มันจะไปค่อยเกิดผลมากขึ้นของมันเองเนา ะ, ะก็ฝากไว้